สุขปัสโกไปเลยก็ได้น่จากการที่ได้ฝึกวนมาจนเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงของขันธ์เห็นขันธ์เห็นอาการต่างๆที่เกิดตามรูปตามนามเห็นอันเก่าเห็นแล้วเห็นเล่า เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นเล่วเห็นเล้าเห็นหลายโลกไม่เขีนเล่วไปเด้เลยเห็นเล่วเหมือนก็เราลู่จักทางมันก็เห็นตรงนั่นแหละเดินไปทางไหนก็เห็นตรงนั่นแหละเดินทางออกจาก ว, วัดเราไม่มีหลุมไม่บ่อก็ไม่เห็นหลุมที่ใดเราก็ลู่ล่วงหน้าแล้วคนเจ้าของทางคินทาง อันคนขับรถโดยสารขินทางวิ่งของตนไปแยกสามแยกโค้งอยู่ตรงใดสะพานอยู่ตรงไหนรอ้จากมาขับรถเป็นขับรถเป็นตอนไหนตอนที่มันไม่ปกตินอกจากใช้เบรกนอกจาก เปลี่ยนเกลียดูจจากหยุดความเร็วลงทันทีเพราะทำเป็นแล้วเหมือนหลองตาเคยไปเทศสมัยสอง8ันรอยสิบแปดมาเทศที่หลาอะไรเกษตรศาตร์ปากช่องตร่งรถนมาจากกรุงเทพมาถึงเจริคอย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 ใช่ไหมย่ำเท่าเป้จับมืออย่างนี้ไม่ได้ขับนะแต่ถ้าแสดงของเขาคนที่ขับรถก็นำรถพ้นจากภัยทั้งสองฉากก็เลยถามคนวิลูดที่ไม่ได้ขับรถคือวิโรดจะทำอะไรเมื่อเมื่อคี้เนี่ยผมรู้ว่าผมขับรถ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 เหยียบเบรกย่ําเบรกเกินไปไม่มีโลดแล้วก็ย่ําเบรกสังทายทักที่ไม่มีโลดแนละ้วเพราะเขาเคยชินในเหตุการณ์เช่นนั้นไม่ต้องลําดับลำำํานําไม่ต้องไปเป็นภาคทฤษฎีเป็นตัวปฏิบัติไปเลยจากที่เรามาศึกษาคิดของเราเม็ภาคปฏิบัติเมื่อมันหลงกว่าลู่ไปเลย ไม่ต้องมาใชยจังหวะก็ได้เมื่อมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไปเลยเมื่อมันโกรธก็ไม่โกรธไปเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อดทนไม่ได้หนีไปไหนนั่งอยู่นี้ไม่ได้ทิ้งกันขวนดากันหนีออกจากกันทะเลาะกันอไอยนั้นมันต้องเถียงกันนะมันใช่ไม่ใช่อย่างนั้น หมืนกับตอนนี้นี่ปฏิบัติทำให้มันเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามก็ทําอยู่ตรงนี้แหละเราก็เห็นเหมือนกันนะเห็นควา ม, มวง่วงเห็นความหลงเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความทุกข์เห็นชิเลตัญหาเห็นที่ใ ด, ดก็ต้องทําอย่างนี้เหมืนคนขับรถว่าหลงไม่ที่ใดก็ต้องทําอย่างนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นต้องทําอย่างนี้ มันจึงเป็นการขับรถเป็นในเวลาในอาการในโอกาสเช่นนั้นไม่ใช่จับพมรมลัยเหยียบคนเล่งไปนั่นไม่ใช่ขับรถเป็นคนขับรถเป็นต้องผ่านอุบัติเหตุต่างๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างถูกต้องชัดเจนแม่นยำเวลาเห็นหลุมที่เคยช้างก็รู้จักทางตัวเอง เหมือนคนขับรถโดยสารขึ้นเขาเหมือนคนอยู่บนหลังเขาขับรถลงเขาเขาเคยทางไม่ค่อยมีอุบัติเหตุแต่คนไม่เคยทางก็มีอุบัติเหตุบ้างเช่นบางทางบางอย่างมันก็ไม่ไปตามกฎของจราจรแต่ไม่อยากทาให้ดได้กอ <c oughs> ก็งอไปตามปุ่มิประเทศที่ทางลงเขาขึ้นเขาไม่อยากให้มันชันลาดสูงมันก็ชนในขณะที่มันเลี้ยวโคง้งอนเนี้ยต่อโค้งขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็มีต่ำลงไปนิดหน่อยคนไม่เคยขับรถเวลาขึ้นเจอต่อมไปขึ้นไปได้แล้วลงไปนิดหน่อยมัน รเราวดเกียบเบาไปอีกหน่อยหน่อยก็ขึ้นสูงอีกมันพบที่จะขึ้นเกียร์หนักเฉพาะ ก, การดังหันถ้ารถมีน้ําหนักมากมันก็เข้าเกียร์ไม่ได้การเกียร์หนักก็ดันมาขึ้นมาเปลี่ยนเกียร์เอาเกียบเบาการดันมาขึ้นมาเปลี่ยนเกียร์หนักพอเปลี่ยนเกียร์หนักก็ตั้งต้นใหม่ก็ไปไม่ได้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 รถวิ่งไวเกินไปก็เกียร์ไม่ได้ก็ลื่นไปเลยแล้วก็วิ่งตะ พ, พือไปเบรกไม่ได้เกียร์ก็ไม่ได้มันรถมันไวก็เกิดวบัติเหตุได้ขาขาดแขนขาดไปก็มีอันนี้คนไม่เคยทางคนไม่เคยเห็นความทุกข์ก็อาจจะทุกข์ได้ง่าย คนที่ไม่เคยเห็นความโกรธอาจจะโกรธได้ง่า ย, ายคนที่ผ่านพ้นกับกิเลสตัณหาลาคะก็ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาลาคะได้ง่ายง่ายเอมันเกิดขึ้นเดีเรากลับใช่มันเรามาปฏิบัติธรรมเรามาถือเพศเรามาอยวัดเรามาสมาทานกรรมฐานมันก็ช่วยได้งองตัวเองห่มจีวรโกนผม มองตัวเองนุ่งผ้าอ่อนผมมองตัวเองอะไรอยู่ในวัดได้ว่าก็เปลี่ยนแปลงไปได้หลายครั้งก็เห็นสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ประสบการณ์สิ่งเหล่านี้เลยเห็นกิเลสเป็นยังพ้นกิเลสเห็นรูปเห็นนามมันก็บอกรายละเอียดของรูปของนามกิเลสตัณหามเป็นอาการของ นามความร้องความหนาเป็นการของลูกมันบอกรายละเอียดมันตะโกนบอกถ้าคนผู้รู้เอาลมเมืองต้นมันก็ไปอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่าไปติดสุขติดทุกข์อย่าไปติดหลงติดรู้ให้มันมีค่าเพราะเป็นอาการเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตน ถ้าเรายังไม่รู้จักธรรมชาติไม่รู้จักความเป็นจริงก็ไปเอาอาการต่างๆมันเป็นตัวเป็ น, นตนความร้อนความหนาวเป็นตัวเป็นตนความโุกความทุกข์เป็นตัวเป็นตนวิเลตัญหาเป็นตัวเป็นตนมันก็ต่าง ก, กันกับผู้ที่ได้อารมณ์ผู้ได้อารมณ์มันก็รู้จักแยกฉโลรหรือเ บ, บาๆเหมือนเหมือนกับ ความไหวความชาในเวลามันวิ่งมันโกรธมันก็ชาผมโกรธคือความวิ่งความทุกข์คือการวิ่งทางจิตวิญญาณมันรีบด่วนร้อนมันก็เย็นในความร้อนนั้นได้เพราะนักปฏิบัติเป็นเช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเสมอไปอ่ะ แล้วก็อย่าไปเอาจริงเอาจังจนเกินไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาตนเป็นประมาณเอาตนปฏิทั้งเกินไปให้วางตนเป็นงกลางเห็นความผิดก็ไม่แตกต่างกับความถูกทำตรงนี้ให้เป็นมันจะง่ายขึ้น บางคนมีอัตตาเทพรยปาลบตนเป็นใหญ่ต่อลองเอาตนไปต่อลองจะทำให้ได้จะทำไม่ได้จะทำได้นี่ตนเป็นใหญ่มักจะไม่ได้ผลนี่เพื่อนมาอยู่ที่นี่บ้างเหมือนกันนี่พระจะมาปฏิบัติทรรมสามเดือนจะตั้งใจเาอาให้สุดขวงมสามารถ ถ้าไม่บรรลุทำสามเดือนนี้อาจจะสึกขาหลาเพศไปคงไม่มีบุญว่าสนาไปเอาบุญว่าชนามา้างมันไม่ใช่ว่าสนาคือความพร้อมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเอาอะไรมา้างคือเขียนเอาอยากลูกก็สร้างลูกเห็นมันหลงก็สร้างลูก วาดคือเขียนเราแต่งเอาบารมีคือพร้อมคือเต็มด้วยความรู้อย่างนี้แหละวาสนามันมีอยู่ไม่ใช่ไปอ้อนวอนอะไรต่างๆเมื่อใดไม่ใช่มันมีวาสนาตรงที่มันหลงก็ได้มันมีวาสนาตรงที่มันมีกิเลสวาสนาก็ได้ มันก็เขียนลงไปมันผิดเอาให้มันถูกมันทุกทำให้ไม่ทุกเดียบเยอะบุญว่าสนาปาา่าละมีมีความพรม้อมป่าละแปลว่ามีป่าละแปลว่าเต็มเต็มไปด้วยที่สร้างเอาไว้ความรู้สึกตัวอย่างนี้อย่าไปเอาว่าสนาพอครบสามเดือนไม่รู้ทำเลยเขาก็เสืกขาละเพืไปเ <c oughs> รื่ยนั้นจริงๆอ่ะไม่อยู่เลย กลาเป็นเบื่อหน่ายต่อเพศเบื่อหนงายต่อวัดไปเลยเไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเห็นวัดเห็นว่าปฏิวัติธรรมไม่ได้หรอกนี่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในโลกนี่จะวันนี้มันมีมรรคผลในพานเรกไปเสียดายกันไหนมันนะเหมือนกัหมา <laughs> มาขี้เกียจตัวหนึ่งหากินผลไม้ลูกไม้ไปกินทุกวันก็มีลูกไม้หล่นลงมากินอีกแล้วก็ข้าไปลูกแต่ว่านั่นไปลูกไม้ไม่หล่นเลยไปนอนเฝ้าเมื่อไรกินหล่นลงมาเนานอนอยู่ครึ่งวันค่ำวันลูกไม้ไม่หล่นจากต้น ก็เลยด่าต้นไม้ไอ้ต้นไม้กูไม่อยากบังดกลูกกูเมียกูก็ไม่อยากมังลุกขึ้นไปโคต้นไม้เยี่ยวล่าต้นไม้ที่แท้ตัวเองเกียดข้า น, นอนเฉยเฉยไม่ขึ้นไปขึ้นเถิดจึ้งจกตัวชไปนอนอยู่อันนี้ก็มีกาวุฒิปรมัยไปมาสมมุติ นะนะเราต้องมีกรรมาฐานต้วมีสตินี้รู้อยู่นี่ไปอ้ออะไร้วรู้ที่ยหน้อหังไงรู้อยู่นี่ก็นี่แล้วเก้วแรกของการเดินทางถ้ารู้อยู่อย่างนี้ก็ไปแล้วไปจากกองหลงแล้วืวันเราเดินทางข้าวทีละก้าวก็ถึงขึ้นโดย เขาชีบัตทะเราเดินทางเราแก่กว่าเขาเขาหนุ่มกว่าเขาขึ้นบนลนลนลนเขาลงมาแล้วเราก็ยังขึ้นไปอยู่เมถึงทุก้าวเราก็ค่อยเดินไปขึ้นได้เหมือนกันฉีบัตทะถ้าใครเคยขึ้นเขาชีบัต้ะ เรื่องอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยอยู่นี่ก็มีแมชขี้วูดเคยขึ้นไปคนหมูก็เคยขึ้นไปที่พระธาตนี่สีลังกาไปลองดูก็ได้จะไปไหมจะพาไปก้านะขึ้นหมจริงจริงนะก้าขึ้นเตือนตี สามีจีขึ้นปะ่ะลงมาก็สองทุ่มสามทุ่มขนาดไหนถ้าขึ้นจอนที่หนึ่งหรือ5ทุ่มหกทุ่มก็ขึ้นเที่ยงกลางคืนไปเลยไม่ลอนอาจจะสบายกว่า อย่างคนเขาขึ้นกลางคืนแต่เราอยากเห็นบรรยากาศกลางบันร้อนชางหมวหมันเดินเงอไหลขย้อยไปนี่คือคือความอันไม่ถึงอันไที่หลังอันไม่ถึงจะไม่ถึงไม่ใช่ไม่คิดแบบนั้นแต่เราก้าไปการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันให้ลูบไปลูกไปเนี่ย ลูกที่ลครค้างลราค้างตามจังหวะที่เราประกอบตามกรรมาฐานทูตเจ้าสงสองสอนกายเนี่ยเอามาประกอบเป็นวัตถุประกอบสร้างความรู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีเท่านี้เหมือนกันหมดไม่ต่างกันกายก็เหมือนกันหมดจะเป็นหนุ่มเป็นแก่เหมือนกันหมดจะเป็นพระเป็นฆรลวาดเหมือนกันหมดชาติใดภาษารใดมีกาย ความรู้สึกตัวก็เป็นเหมือนกันหมดความหลงก็เหมือนกันหมดแต่ไม่เหมือนกันตอนที่มันหลงเปลี่ยนเป็นรู้นี่อาจจะต่างกันบ้างบางคนะจะชินชาเฉื่อยช้าในการเปลี่ยนมักจะอเอาความหลงว่างแวะล้องแวะบ้างความโศกล้องแวะบ้างความทุกข์ไปล้องแวะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นวางข้องแวะอยู่กับ เละจันหาหลาขาบ้างไทยบาทบ้างข้องแวะอยู่กับการง่วงเหงาหอนอนบ้างแต่มันง่วงก็อ้าปากหาหลับตามีความสุขนะสบายเนี่ยข้องแวะไปชะตอนที่ตื่นตรงที่มันจะหลับมันก็ไม่ฝึกไม่เก่งตรงนี้มันไม่ตื่นตรงที่มันจะหลับ มันก็เลยเหล่อไปเรื่อยการเปลี่ยนเนี่ต้องเปลี่ยนให้สมกับการปฏิบัติคือต้องเปลี่ยนจริงๆตัวชาติจริงๆทวนกระแสจริงๆหน้ามันไหลทวนกนระแสจึงจะไหวถึงฝั่งที่ต้องการงั้นเราเคยเลอยนะ้ําไหลเขี่ยว ก็จะไปฝั่งตรงกันข้ามเราต้องออกตรงกระแสชักหน่อยตอนน้ำมันไหลไปนี้เราต้องว่ายขึ้นทางนี้ไปเพื่อเอาไว้แล้วก็พอขึ้นไปสูงพอตรงกันก็ดัดดัดนิดหน่อยมันก็ไปเลยเหมืนเขาออกเรือข้ามภาคก่อนจะข้ามก็ไม่ใช่วิ่งตรงๆเรอถ้าวิ่งตรงๆมันหนัก ขึ้นไปทางเหนือหน่อยอยังเอียงยังยังไรข้ามได้อาทวนกระแสมันหลงรู้ทวนกระแสมันทุกรู้ทวนกระแสภาวะที่รู้เนี่ยเป็นตัวทวนกระแสของโลกของโลดของโลกโลกถของโลกมันไปทางไหลทวนกระแสไปทางสูงสูงเดินทุกข์นี่เราทวนกระแสเป็นผู้ทุกข์ ตามกระแสแล้วนี่มันก็จำเป็นนะปฏิบัติธรรมแน่แต่ว่ามันจำเป็นเรื่องใดเพราะชีวิตเราต้อง anyway. มีเกิดเจ็บเจ็บตายมิจิตติหราคะอันที่มันเป็นนายของเราเราตกเป็นทาสของกิเลสติหราคะของก่อนโรคโกดหลง ถ้าเราไมา่ชนะอันนี้เสียชาติทีเดียวเสียชาติจริงๆเราขาดทุนแล้วที่เรามานั่งอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์สาปฏิลาโขเกิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบสัตประเสริฐอยู่แล้วมามีสิตที่ไปสูมักสูผลเต็มที่ ถ้าเราโทษทิ้งทุรลเรื่องนี้ไปก็เสียชาติไม่ไม่สมกับพ่อแม่ให้น้ำนมเรามาจนถึงกับทุกข์เวลาเกิดเจ็บเจ็บตายความเกิดก็เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความบาดภาคเกาของเลาของชอบใจเป็นทุกข์ยอมจำนน ทำจะไหนกันทำที่สุดแห่งกองทุกข์ตรงนี้จะปรากฏชัดจะเหล่าพระเจ้าก็แสดงว่าอย่างนี้ยอมอะไรทําไมจึงยอม็ลองให้เพราอความแก่ความเจ็บความตายคนอื่นตายเราก็ลองให้คนอื่นตายคนที่ตายก็ลองให้เสียใจเสียดายห่วงหน้าห่วงหลังนี่ไม่เป็นเรื่องที่ จำเป็นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่จาเป็นเลยมันก็เจ็บทุกวันเราเนี่ยก็เจ็บทุกวันมันเกิดดับทุกวันทีหยิบเลยถ้าเราไม่รู้เราเห็นรูปนามนเห็นเป็นอาการเกิดดับเห็นอาการเกิดดับของรูปของนามในอิวา ต, ต่างๆ รูปนามนี่มันเป็นมหาภูติรูปเป็นอาศัยให้ทำความดีละความชั่วแต่นามมารูปถึงเกิด้อนมากับรูปกวามนามนี่ยมันเป็นพบเป็นชาติถ้ามันตั้งพบตั้งชาติใดบนรูปบนนามมันก็ไปที่พบชาติที่มันตั้งไว้เช่น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 โอ้ไปใช่จนบอมแมนไปก็คืนนมาโอ้ยคิดได้เพี้ยแต่คิดได้กระเสือกปบปแบบๆแบบเห็นคนนั่นเป็นนี้เห็นเขาเป็นคนดีเอาความดีให้คนอื่นแต่เราเนี้ยทำไมไม่ทำไปงอ้อง้อคนอื่นแต่ที่จะตบหน้าอกของตัวเองเรานี่แหละคนดัง ให้มีฉันทะมีอุตสาหะตัวอย่างก็มีแล้วคําสอนก็นมีอยู่แล้วพิสูจน์ได้พราะทำคําสอนพื่อมทั้งเป็นไปเพื่อความอบบอกจากทุกข์มีอยู่เป็นไปเพื่อความสงบมีอยู่เป็นไปเพื่อปัจิุพานมีอยู่อย่างนี้ยจะไปเสียใจร้องไห้เศร้าโศกทําไม เป็นทุกข์ทำไมเป็นสุขทาไมหลงทำไมให้มันเหนือนั่นไปเห็นกายสักว่ากายนะแยกจากนี่ไปมันร้อนวิชามากเรื่องนี้ไม่ยอมเจเลยหลงตานะยังจะไปกินวันนี้ <laughs> จังไม่ยอมเจรจริงๆมันร้อนวิชาอยู่นะมันนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งสองปีเนี่ยโอ้ย อยากแสดงธรรมเห็นเพื่อนไปแสดงธรรมที่นครปฐมเม่ยหงาพอไปด้วยได้เปล่ยงให้ไปด้วยไดย้ทั้งๆตี่นอนองแงงแหลงอยู่อยากไปอยากไปพวกเรื่องนี้นะจนได้มาพูดตรงนี้ตามความประสงค์ แต่แก่ช่างของมันนะขอให้บอกสินโลกธรรมบอกทางไม่เอามาเป็นเครื่องขวงกังน้นะจนเราตัดสินใจโอ๊ยคนที่ไม่มีกรรมฐานเขาจะอยู่ยังไงนอเวลาเจ็บเวลาตายเนี่ยเราทาท่าอยู่แบบคนที่ไม่มีกรรมฐานมันอยู่ไม่ได้จริงๆ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 มันจําเป็นน่ะอันความจริงเหล่านี้ไม่ใช่ปฏิเสธได้เราก็ต้องรับกรรมนี้ไปมันก็ชิ้นกรรมได้สิ้นพพสิ้นชาติเต่านั่นได้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์อย่างนี้มันจึงจะคุ้มค่าที่เราเกิดมาจนตัดทินใจว่าโอ้แล้วควาไม่รู้กรรมาฐานเขาอยู่ไงเนาเออเราก็สอนเขาอยู่ สอนทนั้นไม่พอต้องสอนมากกว่านั้นเราจะสอนได้ยังไงเราจะเราจะหายใจไม่ได้ว่าต้องอยู่เช่หายใจไหมเข้าไม่ออกหายใจกมาเข้าก็หมดแล้วชีวิตเนี่ยรูปดามเนี่ยเราก็ต้องไม่ตายเฉจะไม่ตายทําไมล่ะไม่ตายก็ต้องไม่ตายนั่นแหละ ไม่ตายแบบได้ไม่ตายเพราะความเกลี่ความเกลียดความตายอันนี้ก็ไม่ตายแบบนึ่งที่เป็นส่วนตัวตมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อที่ใดเลยเราพยายามช่วยตัวเองมันขี้เกียจจะเอาชีวิตเกินมามันขี้เกียจนะบางทีมันไม่อยากเอาเอามันที่ใดมันก็ใช้มันมันก็ใช้เม่ได้ เหนื่อยเนื่อยเหนื่อยมามาช่วยชีวิตเนี่ยแล้วปล่อยวางสบายไปมันสบายดีเ่าไปคิดอีกแบบหนึ่งว่ามีความคิดอะไรที่มันสนุกสนุกไปอ้าวเราเคยเตือนอะไรสัญญากับแม่ว่าตอนแม่ใจจะขาดล้วก็บอกแม่ว่า แม่แม่ไปนะ็นโรคเกคนแล้วมียังไม่ตายสักคนน้อกลูกของแม่บวชเป็นพระคนหนึ่งนะแม่นะแม่ไม่ต้องห่วงนะลูกของแม่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดเลยแม่ไม่ต้องห่วงหลงพ่อจะดูแลพี่น้องทุกคนของพ่อจะตายก่อนหลังเขาให้เขาตายก่อน พี่น้องตะกันหมดทุกคนหลวงพ่อจะตายนะแม่นะจะดูแลพี่น้องทุกคนไม่ต้องห่วงหลงังต่อหลวงพ่อจะตายทีหลังเขาแม่ยกนัวไหวเลยจ้าทุ <c oughs> นอนปวดเออเอาเนี่ยจะมาตายเลยเนานพี่น้องยังไม่ตายจะก่นเลยนะจะมาตายทีหลังเขายัางไงแเราบอกกับแม่ว่าตายทีหลังของพี่น้อง ไม่ได้ผิดสัญญาก็ไม่ละก็เพียความพยายามนะเอาเอาเคลืนมากลับมาหายใจหายใจไม่ได้วางไปอีกกลไม่อีกก็เป็นอย่างนี้หรอสนุกดีนะไ่าใช่อะไรอรออรนะไม่จําเป็นอย่างนี้กรรมฐานนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โปวยาละเลยมันก็ไม่ยากปฏิบัติได้ให้ผลได้ มันก็อยู่กับเราเนี่ยความหลงก็อยู่กับเราเนี่ยความรูกก็อยู่กับเราเนี่ยความโกรธก็อยู่กับเราความไม่โกรธก็อยู่กับเราเนี่ยตรงเงินข้ามบอกดีพระศิรธระตอนเต้นเจ้าพระชายมองตรงเงินข้ามมานี่ยไม่ใช่มองแบบลิปลี่เลยไม่เกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อไม่เจต้องมีไม่เจตเมื่อไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็บ เมื่อมีตายก็ต้องเม่ไม่ตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆ จ, จะไปยมดําไม่เราเป็นทุกข์ความเกิดเจ็บเจ็บตายเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์การภาบๆก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็มไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปารถาจ่งใดไม่ได้ฉึนั้นก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ น, นิดนิดหน่อยๆใช่ไหมก็มาเป็นทุกข์เรามันเกิดจากเราปรุงแต่งไปเองบางทีธรรมชาติมันปรุงแต่งไปเราเห็นมันตามความเป็นจริงของเขาความจะไหนการตามที่สุแต่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะปาจาจารากฏเจตเจรรย์กีละปานิปุตตามปตังภควันตังอุริจละหลังตังจัมมาสัมปุตตัง อุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าอุทิศคือทําเหมือนพระพุทธเจ้าอุทิศคือทําเหมือนพระพุทธเจ้าพระพเจ้าทํายังไงพระพเจ้าก็บอกว่านี่กายอนุปัชฌามิสติเห็นกายนะ่ะมาทำตามไม่ใช่กลัวตายไม่อยากตายอันนั้นไม่สําเร็จอุทิศคือทําตามเนี่ยเมื่อเราทำตามานั่นนี่ก็ติดเบเพื่อนเป็นตาของเราก็ ชั่วดีเป็นตาไปเราทำดีเนี่ยเป็นตาไปมันมีนะตาตัวเนี่ยโอ้ยเรานอนตาอยู่ เ, เกิดมาเราก็ไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรไม่สะดุ้งภาวาพฤกกรรมของตนไม่จะทำความดีความดีที่เราทำมันเต็มไปหมดเลย อะไรก็ที่มองเห็นได้ชัดหลายอย่างนอกจากเราส่วนตัวเราไม่ถ่าภายในใจก็บริสุทธิ์การงานก็บริสุทธิ์ไม่เป็นไปเพื่อทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ชื่นใจสบายใจนะอาจจะทำกบชั่วจะสะดุ้งเนาะบางคนตายกิจอาีต่างๆ ก็อยากจะช่วยตรงนี้บ้าง <c oughs> แต่มันก็ช้าไปแล้วไปช่วยตวหนหายใจไม่ได้อยู่มันจะหก็มันจะช้าไปอันทีก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้ถ้าเขาไม่มีเครื่องรับไปสักหน่อยเหมือนเรามีเครื่องรับตรวจพอ์วิทยุตรวทัน นี <c oughs> <c oughs> ่ก็หมูลข่าวสารมาจาาทางเงินเรารับได้เราอยากปฏิเสธได้งั้นเราดูทีวีก็รำไรอะไรเรื่องดีๆแล้วก็ดูอะไรที่มันไม่ดีก็ปิดก็ง่ายนิดเดียวมีรีโมทหรือมีอะไรอ่อ่าเนี่ยปิดปับ๊บเลย อันนี้ก็เหมือนกันรู้จัจะปิดด้วยจะล็ให้เป็นชีวิตเรามันประเสริฐจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐบางคนปิดไม่เป็นรับไม่เป็นเอาตะเพื่อตะเพื่อรับความทุกข์ให้ความทุกข์อยู่กับเรารับความโกรธให้ความโกรธอยู่กับเราก็ได้ข้อมูลได้โปรแกรมไม่ค่อยดีเหมือนกับเราให้โปรแกรมคพิวเตอร์มันก็เจ็บโปรแกรมเร่อว้ โปรแกรมในหัวใจเราเนี่ยมันเก็บไอะเยอะเลยข้อมูลจนเป็นกิเลสพันห้าตนาร้อยแปดเหมือนก็เป็นอย่างนี้ชีวิตเราถ้าเราไม่เพกตนสอนตนเราไม่ใช่ไปเป็นเรื่องของใครที่ไหนเป็นเรื่องของตัวตัวเราเนี่ยอย่าอาอะไรมาอ้างนะเอะอสองวันเนจรเวลากับพระพ่อกัน